มาพบกันอีกครั้งหนึ่งโดยมีพ้าพเจ้าพระภัยบุญมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันในการที่เรามาพบปรับพูดคุยสิ่งที่เป็นคำสอนของพระเจ้านั้นก็เพื่อที่จะให้เข้าใจคำสอนที่พระองค์ได้สอนเอาไว้เข้าใจไปทำไมศึกษาไปทำไมฟังไปทำไมคำตอบก็คือเพื่อให้มีความเข้าใจนั่นเอง เข้าใจแล้วจะเป็นยังไงก็จะดับความทุกข์ได้แล้วทาไมเข้าใจแล้วจะเป็นยังไงก็ทำห้เข้าใจ่ก็ยังมีความหลงอยู่นั่นเองถ้าเรามีความเข้าใจมากขึ้นความหลงก็ลดลงไปความหลงในที่นี้ก็คือโมหะที่มันจะทำให้เราหลงไม่เข้าใจไม่รู้เปรียบเหมือนเวลากลางคืนนี่ยมันมืดมองไม่ค่อยเห็นอะไรแต่ถ้ากลางวันสว่างเรารู้ ช่องทางเห็นทางเดินตรงนั้นตรงนี้เป็นยังไงเช่นเดียวกันจิตใจที่มีความเข้าใจในเนื้อหาธรรมะที่ดีมากขึ้นก็จะมีความเปิดโล่งสว่างขึ้นอย่างนี้แต่ไม่ใช่ว่าเราฟังบางเรื่องบางราวเรามึนไม่เข้าใจเราคิดว่าแม้จิตใจเราจะปิดไม่ใช่อย่างนั้นถ้ามีเรื่องใดแม้สักเรื่องหนึ่งที่เรามีความเข้าใจดีเข้าใจได้นะ่ะจิตใจของเราตรงนั้นก็คือมีความสว่างขึ้นมา บางทีใครสไรคนหนึ่งเขาพูดเรื่องใดเักเรื่องใดเรื่องหนึ่งออกมาท่า้ฟังโอ้เป็นเรื่องสมการทางคณิตศาสตร์เป็นเรื่องภาษาอะไรก็ไม่รู้เราก็ไม่เข้าใจฟังแล้วก็งงเป็นเรื่องฟิสิกส์เคมีที่แบบโอ้โหสูสมการยากสําหรับคนที่ไดโนเบลไพรส์ Prize, เขาจะไปเข้าใจศึกษากันมันก็จะทําให้เรางงว่าเอ๊ยอันนี้มันเราไม่เห็นเข้าใจเลยเราหมึนหรือเราสว่างกันแน่ก็ต้องบอกว่า สิ่งที่พระเจ้าสอนน่ยแค่เรื่องอริยสัจสี่ท่านฟังเรื่องอริยสัจสเท่านั้นเองนะเป็นสิ่งที่มีความคงที่เป็นอะย่างนี้แน่นอนนะไม่เปลี่ยนไปจากความคงที่นะไม่ไปสู่ความมีความเป็นโดยประการอื่นแตนะถ้าเป็นเรื่องอื่นเออเราก็ยกไว้ก่อนนะยกไปก่อ น, อนเรื่องอะไรที่เป็นไปเพื่อความรู้ยิง่งความรู้ความ น, นิพพานอันนั้นเป็นเรื่องที่เราควรจะศึกษาเล่าเรียน เรื่องอะไรที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานนะศึกษาไปเราก็ยิ่งจะไปในเรื่องอื่นๆในยังเวลาที่เขาศึกษาศาสตร์ชนิดใดชนิดหนึ่งออกไปเนี่ยก็ยิ่งแตกออกไปกระจายออกไปยิ่งเจอสิ่งที่เขาไม่รู้มากขึ้นก็ยิ่งไปไกลออกไปนอกแนวยิ่งไปไกลแล้วก็มีสิ่งที่ยิ่งไม่รู้มากขึ้นเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เปลี่ยนแปลงอย่างอื่น ทฤษฎีนี้ออกมาล้มล้างทฤษฎีเก่าๆที่ผ่านมามีในะพู้นี้เป็นเป็นเรื่องที่ศึกษากันอยู่ในโลกมีอยู่แล้วแต่สิ่งที่เรากำลังพูดถึงในที่นี้เป็นสิ่งที่คงทีนะ่ศึกษาแล้วไม่เปลี่ยนแปลงศึกษายังไงมันก็จะอยู่ในในระบบนี้นั่นคือเรื่องของิ ง, งสัจ ส, สี่ทำไมบางคนจะมีความสงสัยว่าอา้าวทำไมพระภัยบู์ที่พูดตามพระพุทธเจ้านี่บอกว่า มีสิ่งที่ไม่เปลี่ยนจากความคงที่ไม่ไปสู่ความมีความเป็นโดยประการอื่นเป็นสิ่งที่คงที่อา้าวแสดงว่าอันนี้เที่ยงแท้แน่นอนนั่นเที่ยงแท้แน่นอนเอ๊แต่พระเช่าสอนว่าอันนี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรที่ไม่เที่ยงไม่มีอะไรที่เที่ยงไม่มีอา้าวนี่พูดขครกันหรือเปล่าแตนะ่เราก็ต้องมาทำความเข้าใจนตะ่บางคนฟังแล้วเริ่มงงแล้วทีนี้ว่าเอา๊ มันเทีงหรือไม่เที่ยงกันแน่เอาว่าสิ่งที่ผู้ชาวสอนนี่มันใช่หรือไม่ใช่กันแน่ให้ใครพูดใครถูกใครพูดใครผิดอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องดีนะท่านฟังนะถ้าเรามีความาประเด็นที่เราฟังแล้ว เ, เราเห็นว่ า, ามันอาจจะมีความไม่ลงกันตรงนี้แหละเป็นจุดที่ถ้าเราเปิดออกเมื่อไหร่เราจะสว่างเราจะมีความเข้าใจได้ในจิตนะเราจะพบว่าคําของผู้ชานั้นมี ข้อความลึกเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งแล้วแกะปมตรงนี้ออกได้ในจิตของเราปุ๊บจิตเราเปิดว่างขึ้นมาเนี่ยเป็นการเปิดธรรมที่ปิดอยู่นะคือไม่ใช่ว่าธรรมะนั้นปิดอยู่แต่ว่าใจของเราเนี่ยมันปิดอยู่แต่ให้เราไม่เห็นแง่มุมว่าไอ้ตรงนี้ที่มันลงกันได้เนี่ยมันลงกันได้จริงๆนะแต่มันปิดอยู่ด้วยบางอย่างที่เราอาจจะนึกไม่ถึงบางอย่างที่กิเลสยังครอบงาําจิตใจของเราอยู่พอเราเจอจุดตรงเนี้ย จุดดังๆจุดที่ไม่ค่อยลงกันเข้ากันเราคิดว่าเป็นจุดที่ไม่ลงกันเข้ากันในตำราไม่ลงกันเข้ากันในทางคำสอนแต่ว่ามันเป็นจุดเครียกว่าจุดด่างในใจเราเนที่ถ้าเราศึกษาเข้าไปแล้วเราเข้าใจโพ้อเนี่ยจุดด่างนี้มันหายไปแต่มันลบไปได้นั่นคือใจเราเปิดขึ้นมาอย่างในกรณีนี้ครับท่าก็าเคยมีประสบการณ์มีครั้งแรกๆที่เรามาศึกษาเรื่องของพุทธพจน์เนี่ย มาอ่านถึงสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าเป็นสิ่งที่มีความคงที่ไม่เปลี่ยนไปจากความคงที่ไม่ไปสู่ความมีความเป็นโดยประการอื่นแล้วก็พูดถึงเรื่องของอริยสัจสี่อ้าวทำไมอริยสัจสีเป็นของคงที่ตัวข้าพเจ้าก็มีความสงสัยแล้วบอกว่าสิ่งที่อะไรอะไรก็ไม่เที่ยงนะพิจารณาดูดีๆแล้วนะอย่างพระเจ้าพูดถึงความทุกข์อย่างเงี้ยความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความ โศกเศร้าอะไรต่างๆพวกนี้เป็นทุกข์อันนี้เราเข้าใจลนะความทุกข์ทำไมเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงนะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์นะว่าอย่างนั้นความทุกข์ในที่นี้หมายถึงควาที่มันเปลี่ยนแปลงได้นั่นเองสภาวะอะไรที่มีความเปลี่ยนแปลงได้ไอ้ความเปลี่ยนแปลงเนสสี่ยหมายความมันทนอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้ไอ้ความที่มันทนอยู่ในสภาวะใดสภาวะหนึ่งไม่ได้ น, นั่นแหะคือความทุกข์ woo. มีสภาวะ ทเป็นทุกข์เป็นของที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นั่นเองก็จึงเรียกว่าของที่เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นความเกิดก็ตามความแก่ก็ตามแม้ตัวเราเนะี่ยร่างกายของเราเป็นรูปนะมีรูปมีท่าทั้งสีมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ถูกแดดถูกฝนถูกลมถูกไข้ถูกเชื้อโรคต่างๆมันเปลี่ยนอปอดเป็นอย่างหนึ่งผิวหนังเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนสีโดนแดดมากก็เปลี่ยนสี จากเขาวก็เป็นดำดำแล้วก็เป็นดำยิ่งขึ้นนะมันก็เปลี่ยนไปเพราะว่ามีสิ่งมากระทบเปลี่ยนแปลงได้อันนี้คือสภาวะที่เป็นทุกข์อา้าวแต่ทําไมไอ้ที่หนึ่งบอกว่าความรู้ตามที่เป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์เป็นของที่ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นของที่คงที่ไม่เปลี่ยนจากความคงที่ไม่ไปสู่ความมีความเป็นโดยประการอื่นก็เลยมีความงงว่าเอาสรุปว่าไอ้ความเกิดหรือว่ารูปหรือคันทาที่เราอยู่เนี่ย มันมันคงที่หรือมันมันไม่เที่ยงกันแน่อันนี้ตัวข้าพเจ้าเคยสงสัยนะศึกษาไปศึกษาไปเนี่ยเราศึกษาให้ลึกถึงบทเพียรชนะนะจึงต้องชักชวนท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ฟังรายการเนี่ยให้มาสนใจในคำของปริชาเพราะว่าความสามารถของพระองค์นี่มันมันมากจริงๆมีมากจริงๆนะซึ่งบางทีข้าพเจ้าเองตัวเราเองเนี่ย หรือว่าพระองค์อื่นหรือว่าครวาตท่านอื่นนะที่ว่ามีความรู้ความสามารถศึกษาเข้าไปเนี่ยก็เห็นคนละแง่คนละมุมนะซึ่งไม่ใช่ว่าเกี่ยวว่าคนนี้ฉลาดมากหรือคนนี้ฉลาดน้อยนะแต่ว่าจิตใจของเรามันไม่เหมือนกันนะตรงที่ว่าไอจุดที่มันถูกปิดอยู่ด้วยอำนาจของอวิชชาด้วยอำนาจของตัณหาเนี่ยมันถูกปิดอยู่มันถูกเปิดอยู่เนี่ยคนละจุดกันนะบางตำแหน่งบางจุดเรามองไม่เห็นอีกคนหนึ่งเห็น ก็สามารถที่จะช่วยกันเปิดธรรมที่ปิดอยู่นี้ได้เปิดจิตที่ปิดอยู่ได้มีพระสูต์หนึ่งที่สามารถคลายความสงสัยในข้อนี้ได้พุทเาแบ่งธรรมทั้งทั้งทั้งหมดนี่แหละที่ปรงสอนเนี่ยเป็นสส่วนเป็นส่วนที่เป็นสังฆตธรรมกับสังฆตธรรมในส่วนที่สังฆตธรรมก็แปลเป็นภาษาไทยว่าธรรมที่มีการปรุงแต่งได้ธรรมที่ปรุงแต่งไม่ได้ นะทำที่ปรุงแต่งไม่ได้ก็เรียกว่สังคต ธ, ธรรมทำที่ปรุงแต่งได้ก็เรียกว่าสังคต ธ, ธรรมสังคต ธ, ธรรมมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มีลักษณะอยู่3อย่างนั่นคือมีการเกิดปรากฏมีการเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏสิ่งหนึ่งเลยนะท่านฟังที่จะช่วยเราได้มากเลยในการที่จะทําให้เราเข้าใจธรรมงบริเจ้าเนี่ยคืออ่านเฉยแล้วนี่ก็ส่วนหนึ่ง แล้วเอาไอ้ที่อ่านเนี่ยที่คุณอ่านมาสดๆร้อนๆจริงๆเลยเนี่ยเอามาใช้ดูว่าให้มันตรงไหนบ้างในชีวิตเราที่เราเจอนตื่นเช้ามาอาบน้ําไอ้ที่น้ําที่เราอาบนี่มันมีการเกิดปรากฏไหมมีการเสื่อมปรากฏไหมเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏไหมเนเมื่อก่อนมันไม่ได้เป็นน้ํามันเป็นเมฆมาก่อนโอแสดงว่ามันมีการเกิดปรากฏไอ้น้ํานี่พอเข้าไปผ่านกระบวนการมันกลายเป็นไออ้ะมันมีการเสื่อมปรากฏนการเสื่อมของมันนี่เช่นว่า ดับไปก็มีเสื่อมในลักษณะที่สกรปรกขึ้นก็มีเสื่อมในลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นผสมกับน้ําหวานกลายเป็นน้าเชื่อมนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเมื่อตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏนะเราเอามาใช้ทันทีนึกถึงสภาวะปัจจุบันที่เราใช้อยู่เป็นประจำคุณทาอาชีพอะไรคุณเป็นคนขับรถยนต์คุณทำอาชีพอาชีพอะไ ร, ค, ค, ร, ไ ค, ร ค, คุณเป็นแม่ครัวคุณทาอาชีพอะไรคุณเป็นคุณครูนะคุณทํางานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ เดีนะ๋ยวพวกนี้เราจะเห็นเอาสิ่งที่พระเจ้าประกาศไว้นะ่ะมาใช้มาลองดูในชีวิตประจําวันของเราเดนะีจะช่วยได้มากเป็นผู้ที่เขาเรียกว่ามีความฉลาดในเรื่องภาษนะในการที่เรามีความฉลาดในเรื่องภาษนะเดเจอภาษาอะไรก็ตามในชีวิตของเราเนี่ยเอาธรรมะของพระเจ้ามาลองใช้ดูมาลองเข้าไปทํางานดูว่เอ๊ะมันเกี่ยวกับภาษาไหนที่เราเจอในชีวิตไหมเแีนะ๋วมันจะช่วยทําให้เรามีความเข้าใจในเรื่องนี้ได้ เพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยสิ่งที่มันมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นสิ่งที่เป็นสังคตะมีอยู่เป็นสังคตะธรรมเพราะมันมีสังคตะลักษณะเนี่ยชี้ไปตรงไหนมันก็เป็นได้ทั้งนั้นแต่มีของอีก3อย่างนะ่ยที่เรียกว่าเป็นอสังคตะธรรมแตนะ่มีของอีกอย่างหนึ่งขอไปนะมีของอีกอย่างหนึ่งที่มีลักษณะอยู่3อย่างแต่ถ้าของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง น, นี้มีลักษณะ3อย่างนี้ก็เรียกว่า อสังคตะทำนะสังคตะไปแล้วอสังคตะกำลังพูดถึงอยู่ตร ง, งนี้นะคือความที่สิ่งที่มันไม่เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งอื่นนะก็คือไม่ปรากฏมีการเกิดนะไม่ปรากฏ ม, นะ ม, มีการเสือ่อมและเมื่อตั้งอยู่ก็ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏฟังดูดีๆนะท่านฟังไม่ปรากฏมีการเกิดไม่ปรากฏมีการเสื่อมเมื่อตั้งอยู่ก็ไม่มีภาวะ อย่างอื่นปรากฏอะไรบ้างที่ไม่ปรากฏมีการเกิด้ดูๆไปแล้วก็เหม็นมีนะสมุดมันเมื่อก่อนไม่มีก็ปรากฏขึ้นมาใช่ไหมคอมพิวเตอร์ยากรรไกโทรศัพท์อะไรพวกนี้อย่ามันก็มีปรากฏมีการเกิดทั้งนั้นปรากฏมีการเสื่อมทั้งนั้นแต่เมื่อตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมันก็มีแต่สังคตะนะเอ๊แต่อสังคตะนี่มันไม่ค่อยเห็นจะมีนะไม่ค่อยเห็นจะมี ก็ต้องทำความเข้าใจต่อไปนะสิ่งที่มีลักษณะ3มอย่างนี้ที่พูดถึงอสังฆตาธรรมเนี่ยถ้าเราดูดูแล้วเนี่ยไม่ปรากฏมีการเกิดนะไม่ปรากฏมีการเสื่อมนะเมื่อตั้งอยู่ก็ไม่มีภาวะอย่างอืงปรากฏมันฟังดูดูแล้วมันคล้ายๆกับความที่เป็นของคงที่นะไม่เปลี่ยนจากความคงที่ไม่ไปสู่ความมีความเป็นด้วยประการอื่นเอ๊แต่ของที่คงที่ ไม่เปลี่ยนไปจากความเป็คคคนคงที่ไม่ไปสู่ความมีความเป็นโดยประการอื่นเนี่ยนั่นคือการรู้ตามที่เป็นจริงซึ่งอริยสัจทั้งสี่การรู้ตามที่เป็นจริงซึ่งนี้ له, นนะวันนี้เป็นทุกการรู้ตามที่เป็นจริงซึ่งทุกการรู้ตามที่เป็นจริงซึ่งทุกนะท่านฟังเพราะฉะนั้นไอตัวทุกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปแน่นอนมันเป็นสังคตะธรรมแน่นอนแต่การรู้ตามที่เป็นจริงซึ่งทุก ไม่เปลี่ยนแปลงมันต้องเป็นอย่างนี้นะความรู้ที่เราจะไปรู้ตามที่เป็นจริงว่าทุกเนี่ยก็คือความที่เราไปเข้าใจความทุกแต่พนะระเจ้าตรัสไว้อีกประสูตหนึ่งเพราะฉะนั้นในของที่เป็นสังคตะเนี่ยของที่เป็นสังคตะถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งมันก็กลายเป็นอสังคตะได้ฟังดูอีกครั้งหนึ่งนะสมมติเราเอาของมาอย่างหนึ่งเอาสมุดก็ได้เออเอาสมุดหรือเอาปากกาสักด้ามหนึ่งมา ปากกาดำนี้มีคุณสมบัติของความเป็นสังคต ธ, ธรรมแน่แมันเกิดมาได้มันเสื่อมไปได้มันตั้งอยู่มีภาวะไส้ห ม, มึกหมดหมึกหมดหัวแตกเกียรไม่ได้มีหมดแสดงว่ามันเป็นสังคต ธ, ธรรมมันเป็นสังคต ธ, ธรรมแน่แต่ความที่เราจะไปรู้ตามที่เป็นจริงว่าอ๋ออันนี้มันไม่เทียงความที่เราจะเข้าไปรู้มีความเข้าใจว่าอันนี้เป็นทุกข์ไอความรู้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงไปจากนี้ เตาให้มีพระเามาปรากฏหรือไม่มีพุะเามาปรากฏอันนี้มันก็ไม่เที่ยงอยู่นั่นเองความที่ไม่เที่ยงของมันนั่นแหะความที่มันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นนั่นแหะความที่มันเป็นอย่างนี้ในสภาวะของความเป็นทุกข์เนี่ยนะมันคืออสังกัตธรรมฟังอีกครั้งหนึ่งนะท่านฟังใครเจกันใดคนหนึ่งมาเข้าใจเรื่องทุกข์ว่าทุกข์เป็นของไม่เที่ยงเนี่ยไอ้ความเข้าใจความรู้ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่น ไม่ได้มีปรากฏมีการเกิดนะเกิดเกิดดำนี่มันในใจของเราอยู่แล้วนะแต่ต่อให้ปุชามาอุบัติขึ้นหรือไม่อุบัติขึ้นความจริงข้อนี้ก็มีอยู่อย่างเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้เสื่อมไม่ได้เกิดความรู้นี้ตั้งอยู่แต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นความรู้ตรงนี้จึงเป็นสภาวะที่เรียกว่าเป็นอสังกตธรรมเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราเจออยู่ในโลกปัจจุบันทั้งหมดเลย เรามองมุมหนึ่งเอมันกลายเป็นสังกตะเปลี่ยนแปลงได้แต่ความรู้ในลักษณะที่เป็นอริย ส, สัจสีอย่างเช่นสมมุติว่าเราพูดถึงปากกาเนี่ยปากกาความยึดถือในตัวปากกาใ น, นความยึดถือในตัวปากกาคือตัณหาเนี่ยนะมันไปอยู่ที่ไหนมันก็ยังเป็นเหตุของความทุกข์อยู่เราต้องละไอ้เจ้าเหตุกองความทุกข์ตัวนี้ใ น, นความรู้ที่เรารู้ว่ามันจะต้องละเนี่ยเพื่อให้ความทุกข์จิ้มไปได้นี่ความรู้ตรงเนี้ย ไม่เปลี่ยนไปจากอย่างนี้ไม่เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นไม่เปลี่ยนจากสิ่งที่เป็นอยู่อย่างนี้ความทุกข์ตรงเนี้ยเหตุของความทุกข์ตรงเนี้ยก็คือตัณหาเรียกว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะเป็นอสังกัธรรมแต่จ้ตัวตัณหาเองเนี่ยเป็นสังกัตตรมเข้าใจนะทีนี้ถ้าคุณฟังยังยังไม่เข้าใจข้าพเจ้าคิดว่าควรจะต้องเขียนจดหมายเข้ามาถามเพื่อให้เข้าใจถึงคําว่าสังกัตติอสังกตติเนี่ยมันอยู่ด้วยกันนั่นแะ มันอยู่ด้วยกันอยู่ที่เรามองด้านไหนถ้าเรามองในแง่ที่เป็นเรียสสี่อันนั้นคืออสังกตะถ้าเรามองในแง่ที่ความไม่เที่ยงของมันนั่นคือสังกตะแเพดัะนั้นในสังกตะก็ตามอสังกตะธรรมก็ตามแต่มันมีอยู่ที่เราเห็นเห็นได้แม้แต่ในสมาธิของเราแม้แต่ในสมาธิของเราเรานั่งสมาธิในความที่จิตของเรามันดับไปจากความคิดในทางกามความคิดในทางพยาบาด ความคิดในทางเบี่ยดเบียนดับไปแล้วสิ้นไปแล้วหมดไปแล้วเนี่ยไอ้ความดับตรงนั้นเนี่ยมันมันดับไปแล้วถูกไหมไอ้สิ่งนั้นที่ดับไปเนี่ยมันเสื่อมแน่มันมันหายไปแน่แต่ไอ้ความดับของมันนะสิ่งที่ดับไปนี่คือดับไปแล้วนะแต่ไอ้ความดับคุณธรรมคือความดับเนี่ยมันอยู่นะมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นนะมันไม่ได้ปรากฏมีการเกิดไม่ได้ปรากฏมีการเสื่อมเพราะฉะนั้นธรรมอย่างเช่นมิราคาธรรมเนี่ยคือความนายความคลายกําหนัด ความดับตรงนี้เป็นคุณธรรมที่มีลักษณะของความเป็นอสังขตะพระเจ้าจึงพูดถึงว่าอย่างชาญ1เนี่ยก็เป็นนิพพานนะเป็นนิพพานของการพยาบัติเปีเ่ยนเะดี๋ยวรือว่าชาญ2ก็เป็นนิพพานของชา้นหนึ่งหมายความว่าไงหมายความว่าใครก็ตามที่จะเข้าชาญ2สอสมุติคุณนั่งสมาธิไปเดีวจะเข้าถึงชาญ2ได้มันก็ต้องมีนิพพา น, นคือความดับไปของวิตตอพิจารณนะ์คุณถึงสามารถที่จะ เ า, านสได้ชา้นสก็เป็นธรรมที่ดับไปในของปีติแตคุณจะเข้าชา้นสได้ในชา้นสที่คุณบอกมีปีติเนี่ยตรงนี้ก็จะต้องดับไปเพราะนั้นชั้นสามก็เป็นจึงเป็นที่ดับไปในของเจ้าปีติเช่นเดียวกั น, นกาชา้นสเป็นนิพพานไหมเป็นนิพพานนะเป็นนิพพานของอะไรเป็นนิพพานของสุขแตเป็นนิพพานของสุขเพราะว่าในชา้นสี่ไม่มีความสุขที่อยู่ในชา้นสความสุขที่อยู่ในชา้นสามมันจะต้องดับไปก่อนนิพพานก่อน ถึงจะเข้าสู่ฌานสีได้รั้ชฌานสีจึงเป็นนิพพานนะของเจ้าความสุขเช่นเดียวกั น, น, นในรูปสัญญาสมาบัติเช่นอากาสานันใจยตนะเป็นต้นพวกนี้เป็นนิพพานเหมือนกันเป็นนิพพานของรูปทั้งหลายนะรูปนทะ่าสีที่น้ําไฟลมพวกนี้จะดับไปนนในตรงนั้นก็จะนิพพานไปไอ้ตรงนิพพานนิพพานนิพพานนี่แหละท่านฟังนิพพานเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นอสังขตะเนะพดัะนั้นอสังขตะหาได้เดี๋ยวนี้ เราสามารถที่จะประสบกับมันได้เอาแต่ทําไมฉันยังรู้สึกว่าฉันยังเสื่อมได้ยังไม่เที่ยงอะไรต่างๆอันนี้เป็นทิฏฐิที่ถูกต้องจำฝั่งเป็นทิฏฐิที่ถูกต้องถ้าเรารู้สึกว่าเราเสื่อมได้มันไม่ค่อยเที่ยงแตเราเห็นมองไปทางไหนเป็นทิฏฐิที่ถูกต้องแล้วในทิฏฐินี้แสดว่าคุณอยู่ในข่ายของความเป็นโสดาปฏิมรักแล้วเป็นอย่างน้อยแตเป็นความเห็นที่ถูกต้องอย่างไรก็ตามไอ้ความที่เรายังรู้สึกว่าเรายังเสื่อมได้อะไรต่างๆเนี่ย เป็นทิฏฐินะ่ะเราเห็นสิ่งที่นิพพานตรงนั้นอยู่ต่อหน้าเราได้เรา ย, ยังมีความรู้สึกว่าอันนี้มันเกิดขึ้นได้นั่นเพราะว่าเรียงไม่ได้นิพพานขั้นสุดท้ายนั่นะคือความที่ไม่กลับกําเริบนะ่ะไม่กลับกําเริบเพราะฉะนั้นเราค่อยทําไปนะ่ะฝึกไปนะ่ะเดินตามมาร์กไปตั้งจิตของเราให้ถูกเราจะไปเข้าถึงนิพพานที่ตรงสุดท้ายนั่นได้ทําให้พระเจ้าเตือนเอาไว้ท่านฝั่งนะ่ะในที่หนึ่งได้ตรัสเอาไว้ ถึงความที่ถ้าใครสักค น, กนหนึ่งเนี่ยปฏิบัติไปจนถึงที่สุดแห่งการปฏิบัติแล้วเนี่ยเขาจะไม่มีความสําคัญมั่นหมายว่าอันนี้เป็นนิพพานเนี่ยจะไม่มีความสําคัญมั่นหมายว่าไอ้นิพพานแล้วหรือว่า น, นี่นิพพานของเราเน่แต่คนที่ยังอยู่ในชา้นหนึ่งสสามี่เป็นต้นเนี่ยสมาธิขั้นนี้ดับไปสมาธิขั้นหนึ่งเกิดขึ้นมาเช่นวิตกวิจารณ์ดับไปเนี่ยเป็นนิพพานละเนี่ยเป็นชา้นสองเข้าละเนี่ยก็จะมี ความสำคัญมั่นหมายโอ้ฉันผ่านแล้วนะฉันดับเห็นความดับของขั้นนั้นยังสามารถที่จะยึดถือในนิพพานต่างๆเหล่านี้ได้หรือแม้แต่ถึงแม้เราจะไม่ได้ชันขั้นใดๆเลยก็ได้นะเราปฏิบัติบางคนบวชมานะมีความอยากมีความมั่นหมายว่าฉันต้องเป็นพระราษให้ไดนะ้ฉันจะต้องบรรลุนิพพานให้ได้ก็แสดงว่าคุณยังมีความมั่นหมายมีความสําคัญมีความเพลินมีความที่ยึดถือว่าอินิพพานนั้นต้องเป็นของฉัน อันนี้ก็พลาดได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นพระอรหันตจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้จะไม่มีผู้ที่อยู่จบพรหมจรรย์แล้วมีตัณหาสิ้นไปอนรอบแล้วเนี่ยจะไม่สําคัญมั่นหมายในนิพพานจะไม่สําคัญมั่นหมายโดยความเป็นนิพพานจะไม่สําคัญมั่นหมายว่านิพพานเป็นของเราหรือเรามีในนิพพานจะไม่เพลิดเพลินในสิ่งนั้นเพราะอะไรเพราะรู้ยิ่งแล้วซึ่งนิพพานรู้ยิ่งแล้วซึ่งนิพพานจะต้องไปถามอะไรไกลอีก สบายเพลิเอะไรอีกแตเมื่อเรามาถึงสถานที่ใดสถานที่1นึเราก็รู้ลับสถานที่นี้เป็นอย่างนี้เอาไม่ต้องถามละเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีลุงคนหนึ่งจำฟังมาจากจังหวัดบึงการแตลุงคนนี้เขาก็อยากจะมาเห็นวัดป่า ด, ดอนหายโศกว่าเป็นยังไงเขาสารพาลูกเต้าเดินทางมานะเขาชื่อพ่อตู้เฮืองนะพ่อตู้เฮืองอายุ65ปีมาจาก อำเเมืองจังหวัดบึงกาฬเนี่ยมาถึงวัดป่าดอนไฮโศกล้วก็รู้แล้วว่าอ๋อวัดป่าดอนไฮโศกเป็นอย่างนี้นะไม่ต้องถามคนอื่นแล้วรู้ได้เฉพาะตนเองนะเพราะว่ารู้แล้วมันเป็นอย่างนี้อันนี้คือเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบให้ฟังว่าถ้าเราถึงที่หมายสักอันใดหนึ่งหรืออาหารสักอย่างใดอย่างหนึ่งนะเราลองชิมดูแล้วอ๋อไม่เป็นอย่างนี้นะไม่ต้องถามแล้วคุณลองเอาลิ้นแตะน้ำปลาดูอ๋อเค็มน้ำปลาเป็นอย่างนี้มันไม่เหมือนกับเค็มเกลือ มันไม่เหมือนกับเค็มเงือไม่เหมือนกับเค็มผิวนะไม่เหมือนกับหวานอย่างอื่นหรือเค็มอย่างอื่นในรสชาติเป็นอย่างนี้เราจะมีความเข้าใจแต่เพราะว่าเราต้องรู้ยิ่งในในสิ่งนี้รู้เฉพาะรู้ยิ่งก็หมายถึงว่าทําความเข้าใจเข้าในลักษณะของอริยสัจ ส, สนั่นเองใครสักค น, กนหนึ่งเนี่ยจะทําความเข้าใจความในนิพพานได้ความรู้ยิ่งรู้พร้อมเนี่ย ได้เนี่ยนะคุณธรรมที่จะทําให้เราไปถึงตรนได้เนี่ยคือวิราคะนี่คือความจางไาลความความดับหมายความคลายกำหนัดวิราคะคือคลายกำหนัดนะั่งวางอย่างเช่นว่าเราได้ชั้นหนึ่งเราได้ชั้นหนึ่งนะเราถ้าเรายังไม่ฉลาดพอเราก็จะว่าโอ้ฉันได้ชั้นหนึ่งแล้ว น, นันน่นนคุณสาคัญมั่นหมายในนิพานของกามแล้ว นะี่ยคุณสัมพันธ์มั่นหมายในนิพพานของกางพระชาหนึ่งเป็นที่ดับใช่ไหมเป็นนิพพานของกลางแล้วพอเราสําคัญมั่นหมายในนั้ น, น, นก็เริ่มมีปัญหาละถ้าเราเสื่อมจากมันเราจะเริ่มมีปัญหาหรือถ้ามันไม่ได้ตามที่เราวางเราจะเริ่มมีปัญหาเอาทำยังไงก็คลายกําหนัดในสิ่งนี้ซะวางสิ่งนี้ซะวางแม้แต่ไอความที่เรามันดับไปแล้วนะวางต่อไปเราก็เลื่อนขึ้นแตนะเราเห็นปีติสุขวิตตกวิจารแรต่างๆเราวาง วิต ว, วิจารนั้นด้วยนั่นก็จะมีความดับของวิตก ว, วิจารนั้นก็เป็นชัช้นฌานที่สองถ้าเราคิดว่าโอ้ยฉันได้ฌานสองแล้วแหมดีจังนะหรือว่าเพลินในฌานสองนะแสดงว่าคุณคุณเพลินในนิพพานละเราก็ไม่อย่างนั้นเราก็วางให้มีวิราคะคือความคลายกำหนัดนะวางไปวางไปเรื่อยๆในอย่างกรณีของท่านพระสารีบุตรในะที่ท่านบรรลุธรรมนีก็ลักษณะนี้นะพระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังนะเล่าให้ฟังในวาระหลังหรอก ที่ตอนนั้นพระเจ้าแสดงธรรมให้กับหลานของท่านพระสารีบุตรที่นำสกุลกิเวสนาให้ฟังท่านพระสารีบุตรตอนนั้นถวายงานพัดให้พระเจ้าอยู่พระเจ้าเล่าให้ฟังในวาระหลังว่าท่านพระสารีบุตรเนี่ยมีสติเข้าสมาธิมีสติออกจากสมาธิตั้งแต่ฌานที่1ไล่ไปถึงฌานที่2ที่3ที่4ณ่นนี้เราวิเคราะห์ได้เลยว่ากรณีของที่ท่านพระสารีบุตรนะเลื่อนขึ้นจากสมาธิขั้นที่1ถึงขั้นที่8จนทั่งถึงขั้นที่9 แล้วปล่อยวางขั้นที่9ได้บรรลุเป็นพระรานนะตรงที่นั่งถวายงานพัดอยู่ให้พระเจ้านั่นนะก็ด้วยกระบวนการที่ว่าวิรากฐานั่นเองนะถามว่าในขณะที่ท่าน菩าริบุตรเนี่ยอยู่ชั้นสมีนิพพานไหมมีนิพพานของของวิตตวิชานะในขณะที่ท่าน菩าริบุตรอยู่ชั้นสมีนิพพานไหมก็เป็นนิพพานของสุขนะมีอยู่เพราะในชั้นสี่ไม่มีสุขใช่ไหมถามว่าท่านเพลิเพลนในนิพพาน เขาเรียกว่าสําคัญมั่นหมายในนิพานนั้นไหมแต่ถ้าสําคัญมั่นหมายเพลิดเพลินท่านก็จะปล่อยวางฌานสี่เข้าถึงอาการสันนินจจตระไม่ได้แต่เพาะว่าท่านมีวิราคะในฌานสีนั้นมีวิราคะในนิพานนั้นมีวิราคะในอสังคตธรรมณตรงนั้นตรงนั้นยังไม่ใช่พระอรนนะแต่ท่านมีวิราคะในอสังคตธรรมคือนิพานของเจ้าความสุขนั้นได้นะเป็นอย่างนี้และท่านก็จึงเรืองขึ้นได้นะไปเรื่อยๆไปเรื่อย เส้นทางที่ไปเนี่ยท่านฟังเส้นทางที่ไปเนี่ยเขาเรียกว่ามรคเส้นทางที่ไปเขาเรียกว่ามรคเพราะฉะนั้นมรคคืออริยมรคมีองค์แนั่นเองท่านบาเรสระสปาริบุตรก็ตั้งจิตของท่านเอาไว้นะตั้งจิตทรงจิตเอาไว้โดยคุณธรรมคืออริยมรคไม่องค์8ดแน่แตนะเพราะอริยมรคมีองค์แเนี่ยเป็นฐานรองรับของจิตใช่ไหมพอตั้งจิตไว้อย่างถูกต้องด้วยทิฏฐิที่ประกอบไปด้วยอริยมรคมีองคนะ์แปดจิตนั้นตั้งอยู่อย่างถูกต้องก็ไปตามทางละ ไปตามทางจนกระทั่งถึงนิพพานได้ถึงจุดสุดท้ายนะก็เป็นเหมือนกับมเมล็ดข้าวที่ตั้งอยู่อย่างถูกลักษณะนะตั้มเข้าไปปุ๊บก็มือก็ห่อเลือดได้เท้าก็ห่อเลือดได้เช่นเดียวกันก็ทําอวิชชาให้มันหลุดออกไปได้ในะจุดนั้นนั่นเองนะทัานนั้ก็จะมีความเข้าใจว่าโอ้นิพพานเป็นอย่างนีนะ้ไม่ต้องถามใครอีกละบรรลุเป็นพระอรหันต์ที่นั่งนั่นเองแต่ถ้ามีคําถามข้อเสนอแนนะใดๆก็ขอให้ส่งกันมาได้ วิธีการสื่อสารกับทางรายการก็ง่ายๆแต่ถ้าใครสะดวกทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ก็ไปที่เพียวธรรมะดอท p u r e d h a m m a หรือว่าถ้าสะดวกส่งจดหมายมาก็ได้นที่เลขที่1หมู่แปดตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีส่งมาแล้วก็จะมาคุยให้ฟังในรายการอยู่เรื่อยๆที่สําคัญอย่างหนึ่งท่านผู้ฟังนก่อนที่จะลากันไปวันนี้ก็คือว่าคําที่บรุเจ้าตรัสไว้ เป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งแต่เราจะให้ลึกซึ้งคัมภีรภาพเนี่ยทุกบทเพียนชนะเราควรจะทำความเข้าใจแต่เห็นว่าเป็นเรื่องยากข้าพเจ้าพูดไว้อย่างหนึ่งข้าพเจ้าเองก็มีความเข้าใจในระดับหนึ่งแต่ถ้ามฟังฟังเองก็อย่าไปคิดว่าตัวเองจะไม่เข้าใจหรือจะเข้าใจน้อยกว่าที่ข้าพเจ้าเข้าใจไม่ใช่แต่เพราะจิตของเรามันถูกปิดอยู่ไม่เหมือนกันมีอินทรีย์บารมีไม่เท่ากันเราอาจจะเห็นมุมที่คุนอื่นไม่เห็นคุณอื่นอาจจะเห็นมุมที่เราไม่เห็น ในให้เราเป็นผู้ที่มีความสามัคคีกั น, นเกื้อกูลกันมองกันและกันด้วยสายตาแห่งผู้ที่มีความรักใคร่กันเป็นอยู่ก็สามารถที่จะทำให้ธรรมะเมืไหนี้ตั้งอยู่เจริญอยู่ได้นานแผ่ไพศาลคลายความทุกข์ให้ปวงชนทั้งหลายได้เจริญปา